ท่านวันนี้เป็นวันที่ 8 ตุลาคม 2533 ท่านผู้อ่านและ วันนี้พอมีแรง 18 แปลว่าในระหว่างนี้บรรดา <c oughs> <c oughs> ถ้าๆกับคือเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายนึงอังกฤษแล้วฝรั่งเศสอีกหลายประเทศ แต่คัมภีร์กรณ์ก็จะไม่มีกรณ์ว่าจะแต <c oughs> 1,990 จะเป็นปีเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 แล้วก็ قوم ความแล้วไปสงครามทําลายศาสนานั้นแล้ววางศาสนากับศาสนาคือศาสนา อ่าดึงของดาบุตน์เนี่ย <c oughs> ก่อน 15 ปีจะเกิดการร้ายแรงจะมีการรบราข้าฟันสังหารกันปี มันจะถือว่าเป็นการร้ายแรงนักจนหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้ง <c oughs> หมายว่าจะรบราข้าวฟันซึ่งกันและฝ่ายจะล้มตายๆสมณะที่พรานจะล้มตาย Kr др. 3. S ohmm peace Excellent to implement through dull things Kr喪ner khakiallit dritzschild Kr d-dra Навุao ต่อิด controlled kulit Kr d-dra kabaya was then programmed Kr d-dra gesture Kr d-dra gesture Kr d-dra gesture Kr d-dra gesture Kr d-dra gesture Kr d-dra gesture Kr d-dra gesture Kr d-dra gesture Kr d-dra พระธาตุดงกิตติครั้ง 5,000 ปีครบ 5,000 ปีนี่หมาย ชีดาบุตบอกก็หมายถึงว่าสงครามที่ตะวันออกกับตะวันออก ก่อนถึงพุทธกาล 15 ปีจะมีการระบราข้าวฟันซึ่งอะไรกันคนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลุกจากอากาศ <c oughs> ทางทางที่ตู้มันหนักแสดงกําลัง ไม่ได้หมายควาเป็นทหารเข้าสงครามคือมีชีวิตอยู่ในระหว่างสงครามที่มีชีวิตในที่ ก็หายากโรงงานต่างๆก็ถูกระเบิดเสียมากของที่ส่งมาจากต่างประเทศ <c oughs> ถ้าสงครามเขาเกิดขึ้นถ้าว่าท่านจะถามว่าทําไมว่าสงครามเกิดขึ้นทะเล เพราะว่าเป็นการขัดแขนเณรมากกว่าอย่างอื่นคิดว่าถ้าสงครามเกิด แต่บังเอิญคนที่นับนั้นๆทั้ง 2 ศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราข้าฟัน เราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบถึงว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบเป็นการคาดคะเนว่าเหตุการณ์จะต้องเกิด ส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะ <c oughs> เขตยันเขตเขตที่ย่อก่อนขึ้นไปเขตในเขตในประเทศไทยแล้ว ก็มีบุคคลที่ศีลศาสนาตรงกันข้ามแล้วโดย เพราะหลังโศธพุทธศาสนาถูกลดลงไปกับสูตรศาสนา นี่ต่อไปก็เป็นการเดาอีกสงครามมันก็อาจจะเข้าเดาๆแต่ว่าดูผิด <c oughs> 8 ตุลาคม 2533 แต่ก่อนหนังสือแล้วไม่เกิดก็ไม่เกิดเรารู้ว่ามีต่างคนต่างมองต่างคนต่างพูดๆมาหักล้างกันก็ไม่แน่นักว่ามันจะเกิด แต่ว่าท่านไม่ได้บอก คส. เป็นนว่าประเทศ ทั้งนี้เพราะอะไร ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขาโดยดำน้ําของร้อนๆแต่ว่าขอ จะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างจะ ดังรังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายของทรัพย์สิงขบุรุษคนใดคนหนึ่งที่มีของท่านไว้ที่จะทําให้นะคือเป็นคําว่าท่านยืนยันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 และท่านทําทุกครั้งท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่า ของนั้นอยู่ที่ไหนก็หากับเราเองๆเอาตรงๆเลยก็ได้คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออก <c oughs> ถ้าที่ถ่าย 3 ครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไป เราก็ให้ถ่านให้ปลอดภัยอย่างนี้จะ อิรักปรากฏว่าประกาศว่ามีคน 18 ล้านถ้าว่า อิหร่านกับก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยกับที่อเมริกาจะเอา <c oughs> ที่ร่วมร่วมกันมาก็อาจจะไม่ทิ้งกันนั่นคือศาสนา ท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่ สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความ 2 แต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดรามมุดหวาย เวลานี้ตะวันออกกลางกําลังจะมีสงครามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจ <c oughs> ต้อง 3 ประเทศลาออกจากสนธิบาตชาติสนธิบาตชาติต่างคนต่าง บุคคลที่อยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกระเบิดคนนอกนั้นจะไม่ตายถ้าไม่ลบความอดเกิดขึ้นมาจะตายทั้งประเทศก็ต้องตัดสินใจลบเรื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชั้นใดเวลานี้อิรักอิหร่าน บางสถานที่อย่างตอนใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์แต่จากท่านมันเอกนรงค์กิตติกาจรท่านบอกว่าใครล่ะพันเอกคาดาฟีมั้ง <c oughs> รัฐบาลไม่ได้ยุ่งโดยเอาอีก 8 จังหวัดถ้า 8 จังหวัดได้เขาอยากจะ 46 จังหวัดเพริ่ดสุด ถ้าสงครามเกิดขึ้นถ้าเราต้องจำเป็นต้องเสียดินแดนเรื่องเสียเฉพาะนั้นไม่มีแน่นอน เป็นแต่เพียงว่าเขาประธานาธิบดีของเขาก็ๆแล้วจะ เรเรายังไม่พูดถึงศาสนาก่อนเอาสงครามในด้านทิฏฐิวัตรออกกลางมาพูดก่อนถ้ามันเกิดขึ้น ไอ้ที่พูดนี่ก็ขอๆของน้ํามันเรื่องความว่ามันถังน้ํามันถัง ในเวลานี้การจอดน้ํามันการดูดน้ํามันเค้าบอกว่าได้น้อยแต่ตามความรู้สึกของผู้พูดแล้วตามข่าวหนังสือพิมพ์เค้าบอกว่าความจริงปริมาณน้ํามันที่ได้เนี่ยมันมากกว่าข่าวที่ก็แจ้งมาข้อนี้จะเท็จจริงประการใดผู้รู้ทราบก็ได้แต่หนังสือพิมพ์แต่ ที่เจาะครบแล้วก็บอกว่าไม่พอ <c oughs> ก๊าซณกัดที่สงขลาก็ใช่ๆแต่น้ํา เอาที่ใดที่ 1 อันนี้พูดถึงการสมมุติกันไม่ไม่ทุกคนเชื่อก็เป็นความรู้สึกมีว่าเอ ประเทศไทยตั้งอยู่เหนือทะเลน้ำมันจริงก็กันแม้แล้วก็พม่าก็เหมือนกันอินโดนีเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็ <c oughs> 6 กิโลเมตรก็ แต่ประเทศไทย 1 มีน้ำมันพอจะเจาะได้ก็ลองเจาะ 10 กม. ถ้า ท่าน ดร. สวัสดิ์ท่านบอกว่าถ้าเจาะลง 3 กิโลเมตรจะถึงปากถึง 6 กิโลเมตร ไอ้ท่อที่เจาะลงไปนั้นจะจมไปใน 6 กิโลเมตรท่อ 2 กิโลเมตรถามท่าน ดร. สรสาสาถามว่า ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอา 30 เท่าของ อุตสาหกรรมของเราลงทุนถูกเพราะน้ํามันถูกแล้วจะ <c oughs> ขอขอเตือนบรรดา พอเดลียนสักก็ดีแล้วคายจะแพง 20 วินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล